จึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศสิทธิ์ในวาราต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุ ก, การสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นๆลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานากรุธอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้ว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 เป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไปในทางใดกำหนดให้แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุดจากกันตกเรี้ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้างกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกาหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าทาน ลงในขนาดนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดวยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวารากันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้นหลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิ และพักอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ต้องการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆ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 จักนั้นท่านกาหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคายของสติปัญญาจะพิจารณากายให้เป็นปลายในลนาาักษณะใดก็กาหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเราอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตภักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดาย คำบริกรรมภาวนาพุโทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัติอัติเป็นอารมณ์ของใจแทนพุโทโธมีตะการกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นเราอํานาจแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชํานาญวิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชํานาวและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทําจิตให้สว่างสวัยมากน่าอาัศจรรย์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 นั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับของใจเราดีๆนี่เองจะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่ที่ไหนกันแต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้โดยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆสติตปัญญาต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลานอกจากจิตผู้ทำการขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการทำงานมากไปก็เข้าพักสงบในสมาธิ เสียช่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาและมีกำลังแล้วก็ทำการพิจารณาคลี่คลายร่างกายอีกต่อไปโดยถือหลักไตรลักษ์เป็นทางเดินรอกายเป็นสิ่งสำคัญในวงปฏิบัติผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไรย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนเพียงนั้น เนื่องจากกลายเป็นรวงรังของราคะตัณหามานะทิฏฐิส่วนหยาบๆทั้งหลายที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาบางรายจึงกับลืมตัวลอยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลนแม้ผู้มีกิเลสด้วยกันก็ทนดูไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชเอื่อมระอาไปตามๆกันด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุงทาลายกิเลสด้วยใจจริงจาต้องสนใจ ต่อกายวิภาคจนเกิดความชำนิชำนาญและตัดราคาตันหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดทอดเพราะกิเลสมานาทิฏฐิประเภทแสลงแทงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆ น, นั้นมักเป็นกิเลสปากคอกที่คอยแสดงออกอย่างรวดเร็วซึ่งอาศัยอุ ป, ปาทานความยึดถือกายเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐานสี่ และอริยสัจสีอันเป็นธรรมะสำคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใหญ่ท่านอาจารย์มั่นท่านชำนาญคล่องแคล่วในกายานุปัสสนาสติปทานมากท่านจึงแตกชา น, นธรรมะทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดนักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าขณะที่ผ่านกายคตาไปได้แล้วกามราคาก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกัน โดยไม่จำต้องถามใครให้เสียเวลาและแสดงความโ ง, ง่งมงายของตนให้ผู้อื่นหัวรเราะเปลาๆรอบเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคาตันหาตายหายซากไปจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคาตันหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจ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 สังคารทั้งฝ่ายสมุทยัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั่งเดิมและสังคารซึ่งเป็นฝ่ายมักที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมระ ง, งับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาะความสวยงามและอสุภาะความไม่สวยงามจึงแยกตัวออก ลอยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมะทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใหญ่ไม่มีนิมิตใ ด, ดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภาะและอสุภาะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวยัยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร์ครวนโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันเป็นธรรมะที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลส ท, ทั้งหลาย